เอาออกทิ้มไปบ้านเราจะได้สดใสสเสรียจันไร่จะต้องให้ดีเพว่าจะลงรักษาสเสรียจะมาบ้านก็สุดเดี๋ยวเรามาฟังเคสสดีกันลูกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศครัช 2,521 เนื่องจากต้องการมาดูดิตาตนเอง ตามภาษาคนทําสื่อว่าวัดนี้มีที่ตั้งฐานจรวด <c oughs> อยู่ที่โบสถ <c oughs> เป็นที่สะสมอาวุธใต้ถุนโบสถ <c oughs> และเป็นที่ส่องสุมผู้คนตามที่มีผู้หวังร้าย <c oughs> กระจายข่าวหรือไม่ <c oughs> วงเล็บต้องขออาภาัยครูไม่ใหญ่นที่นี้หลังจากเข้าไปกับลูกน้องสองสามคน <c oughs> ก็ได้ให้ผู้ชายเขาอนุญาต ทำทีขึ้นไปดูวิวบนหลังคาโบสถ์โอ้โหลูกเองก็ลงไปดูใต้ถุนโบสถ์ oh. ตลอดจนเดินตรวจเสียทั้งวัดก็ไม่เห็นมีอาวุธหรือคนแปลกปลอมแต่ประการใด <Okay. S 1> เห็นมีแต่อิโต้กับพร้าในโรงครัว <laughs> และเข่งใส่หม้อกระโถนใต้ถุนโบสถ์ <Okay. S 1> ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกก็ได้ทุ่มเทความศรัทธาไปวัดและหลวงพ่อทั้งหัวใจ จึงร่วมทําบุญสร้างบรมีกับคุณยายและหลวงพอ่อเสมอมาตั้งแต่ปล่อยปลาถวายพัตตาหารพระทั้งวัดเกือบทุกเดือนร่วมอทอดกรถินเป็นประธานรองตั้งแต่ปีแรกที่คุณยายเป็นประธานจนปัจจุบันบวชธรรมทายาทสร้างพระในธรรมกาธรรมกายเจดีย์หลายร้อยองค์ร่วมสร้างหลวง ป, ปู่สดด้วยทองคำหนึ่งกิโลสร้างกุฏิพระศาลาธรรมกายซากล เป็นยถาภพงานสลายร่างกุญยายร่วมสร้างวิหารหลวงปู่วิหารกุญยายสร้างพระถวายพระอธิการสาม0มื่นกับวัตถุ่วประเทศถวายสังฆทานพระสามพันวัดทั้งสองครั้งไม่นับสร้างพุทธรูปถวายหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พ อ, พอตาตาประเจอยู่หัวและวัดอื่นๆทั่วประเทศรวมแล้วสิบสามองค์<า> <c oughs> เริ่มเรื่องเลยนะคะ <c oughs> พ่อเป็นทนาย เคยบวชเรียนได้ประเรีแน8ประโยคสอบประโยคเก้าไม่ได้จึงราศิกขาเออขมาเรียนมหามหาไธรรมาศาสตร์จบมาเป็นทานายเลีเ้ยงดูลูกและครอบครัวด้วยความสุขตามอัตภาพพ่อเป็นทานายซืบสู้ฐานะเราจึงค่อนข้นขางจะยากจนแม่เป็นลูกโทนของคุณนางเก่า ค, คุณตาตายตั้งแต่แม่ยังเด็กจึงถูกญาติโกงสมบัติไปหมด ได้มาแค่การศึกษาคือมัธยมสูงสุดสมัยนั้นแม่มีความรู้ดีมากชอบอ่านหนังสือตั้งแต่นวรรยายจนวิชาการลายมือสวยแต่งตัวดีมีรถนิยมเคยเป็นพระเอกละครเวทีมาแล้วแม่สุบุรีดื่มเบียร์มีลูกน้องมาก เลี้ยงดูลูกน้องด้วยเบียร์และอาหารการกินครบครันเมื่อพ่อซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากประธานมหามาอยู่กินกับลูกสาวภรรยาต้องดื่มเหล้าเป็นเป็นสาเหตุให้พ่อผิดศีลข้อหเมื่อลู ก, กอายุได้ยี่สิกปีพ่อก็ตายด้วยโรคมะเร็งในปากและแม่ก็ตายตามตามมาในสองปีถัดมาด้วยโรคตับแข็งส่วนเรื่องของลูกเองนั่นแหะ ปฐมาอาจารย์ของลูกคือหลวงปู่คำดีประภาโสลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแบบอนนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธอาจารย์องค์ที่สองคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลูกศิษย์หลวงปู่ปานวัดบางนมโคแบบมโนมยยทธิวิชาแปดบริกรรมนัมภัทตะและด้วยความอยากก้าวหน้าจึงเลิก บ, บุรีและภาวาถือศีลห้าตลอดชีวิต ขณะที่กำลังสนุกสนานกับการปฏิบัติก็ฝันเห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งหน้าดูแต่ดวงตาใจดีม oh. ีไยที่หน้า oh. นั่งทำสมาธิเขาเรียกใครลูกก็ไปหาแล้วก็ถอดผ้ารัดประคตคล้องคอ oh. ซึ่งต่อมาก็สืบเสาะจนได้ความว่าท่านอยู่วัดปักนะ้ำฝั่งทน s right. <S ก็ดันดนไปแล้วก็ใช่จริงๆ ปะกอบกับเข้าไปพิสูจน์ความโปร่งใสความสะอาดมีระเบียบวินัยของวัดและเห็นรูปหลวงปู่จึงเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายและนั่งกาห น, นดดวงแก้วพร้อมภาวนาสัมมาอรหังในเวลาใกล้กันหลังจากลูกได้เป็นนักเรียน อ, อนุบาลโรงเรียนฝันในฝันวิยาจากการนั่งสมาธิวันละสองเวลาก่อนนอ น, น, อนกับหลังตื่นนอนลูกก็ปรับมานั่งกับหลวงพ่อหนึ่งเวลาและนั่งเองอีกหนึ่งเวลาผลการเรียนคงจะดีก่อนนี้ ถ้าทําการบ้านสมอำเสมออย่างไรก็ตามนับว่าก้าวหน้ากว่านั่งเองแน่นอนวันหนึ่งลูกกัฝันไปว่าแม่ที่ตายแล้วเนี่ยมาหาแต่งตัวสวยงามยิ้มแย้มแจ่ ม, มจใสบอกกับลูกว่าแม่สบายแล้วพ่อฝากมาบอกว่าสบายด้วยเหมือนกันลูกกําลังเล่ยสงสัยว่าท่ากําเงิลแต่กับฝันอย่างนี้อีกสองครั้ง จึงชื่อว่าแม่และพ่อซึ่งลูกคิดว่าคงตกนลกได้ขึ้นสวรรค์แล้วด้วยผลบุญกุศลที่ทํามาอันได้แก่ทานศี่ห้าภาวนากว่ามากกว่า25ปีและลูกก็ได้แผ่ส่วนกุศลที่ท่านทั้งสองรวมทั้งหลวงพ่อตลอดมาคงช่วยได้าทานสีนภาวนานี่หมายถึงตัวลูกนะหลังจากนั้นก็ยังฝันเห็นคนตาซึ่งได้กระทําอัตวินิบาตฆ่าตัวตายเพราะพี่ชายลูกคนละแม่ ทำเงินหลวงขาดบัญชีและท่านต้องไปรับตำแหน่งและรับบาปแทนปัจจุบันพ่อและแม่อยู่ไหนคุณตาอยู่ไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำอย่างไรดีโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวของลูกเกิดจากรรมอะไรแก้ไขอย่างไรว่าไรลูกจะฝันที่ฝันเป็นอาเอาคุณพ่อก่อนนะจ๊ะ พ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากอันนี้ฝันในฝันนะฝันในฝันเพราะหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเลื่อยเปลยไปพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเกิดจากวจีกรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเป็นกุลบุตร เกิดในตระโกนที่มีฐานะปานกลางแต่มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาโกรธจะชอบเถียงและด่าบิดาม า, ดารดารวมทั้งใครที่พูดผิดหูก็จะด่าพ่อร่ำแม่กันเลย oh. คือด่าตั้งแต่ตัวถึงบรรพบุรุษไปเลย <That. S 1> เช่นวันหนึ่งได้ไปเที่ยวกับเพื่อน เมากลับมาบ้านพ่อแม่ก็ตักเตือนตนตนก็ขึ้นเสียงโดยใช้คำพูดมึงกูกับท่านแล้วก็กล่าวคำหยาบหยาบหากเป็นคนอื่นพูดผิดหูเช่นมาตือนมาสอนว่าให้ใจเย็นเย็นจะพูดจะอะไรก็ให้ระวังก็จะด่าสวนกลับไปเลยเช่นน่าขัวอะไรของ มึงเ <laughs> จน้นพาไปถึงพ่อแม่ของคนนั้น oh. ก็รัจกัมัานก็คือชอบวิพากษวิจารณ์ด่าวา่าพระเทยระผู้ใหญ่ oh. แต่งแต่ตัวยังบวชอยู่ oh. เพราะติดนิสัยข้ามชาติมา oh. แต่ตอนบวชก็ชอบแอบกินข้าวเย็นเ oh. มื่อพระเทยระเห็นท่านกระตือน oh. พระสอนก็โกรธ oh. พอ ร, รับหลังก็วิพากวิจารณ์ด่าวา่าท่าน oh. พระท่านเนี่ยปากเนา่าปากเหมน็นเป็นต้น Oh. กับกำดื่มสุราดูดยาเส้นตามสมัยนิยม mm hmm. ประกอบไปจะลาโลกก็มีความทุกข์ทรมานโดยเจ็บที่ปากมากและเห็นกรรมนิมทิที่ตัวทาบาปเอาไว้สลับกับพยายามจะนึกถึงพระรัตนตรยัยและภาพของตัวที่เคยบวชคือพยายามเอาไวน้น่คือรู้เหมือนกันรู้ตามหลักธรรมเพราะได้ถึงป ร, ริยดนแปดประโยชนบ ได้พยายามสลับคือพอภาพนั้นมาก็พยายามจะนึกถึงพระรัตนตรยัยเพราะบุญที่นึกถึงภาพการบวชและพระรัตนตรัยเนี่ยจึงรั้งไม่ให้ไปในมหานรก<อ>ทั้ทั้งที่มีอาชีนกรรมสุรา b ต t แต่เจ้าหน้าที่ยม โ, โลกก็มารับไปเลยเ<อ>มื่อพยายามราชพิจารณาบุญบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน ก็พิพากษาให้ไปรับโทษอยู่ในยมโลกโดยการถูกกรอกน้ำทองแด ง, ดงคือถูกจับนอนไงเงี้ยแหละสลับกับการยัดคบเพิงเข้าไปในปากและเมื่อขัดขืนก็ถูกทุบตีมีความทุกข์ทรมานมากต้องเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาแลวจะต้องเป็นอย่างนี้ถึง 1,000 พันปียมโลกซึ่งยาวนานมาก ลองเอา50ปีในเมืองมนุษย์คูณแล้วคูณต่อด้วย6 5วันเป็นหนึ่งปีแล้วคูณต่อไปอีก 1,000 ปีนั่นแหละคือพันปีของยมโลกกายก็ผอมนอนเปลื่อยอยู่แต่ว่าได้รับบุญที่ลูกสาวทำอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนไปเรื่อยๆแล้วลูกสาวก็ทำบุญอย่างต่อเ น, นื่องไปอีกอุทิศให้ต่อเ น, นื่อง จึงพ้นกรรมจากยมโลกแล้วลูกสาวทำบุญต่อไปอีกอโอ้โหมีลูกสาวดีเข้าอย่างนี้น ะ, ะบุญนั้นก็เลยหลุดพ้นจากยมโลกยังไม่พอเจ้าหน้าที่ก็น้ำส่งไปเกิดเป็นคนทันเใชฉันจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นเงินคลิปทองแต่ว่าก็ยังไม่สวยมากนะขนาดานกลาง ก่อนไปเกิดเป็นคนทันได้มาหาลูกสาว oh. โดยเข้าฝันแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆ oh. แต่ลูกสาวก็รับได้บ้าง oh. มาฝันนั่นนะ oh. คือมากับแม่แล้แหละ oh. แม่ตาดีรโกคตับแข็ง oh. แม่กินเล่าเก่งมากเหมือนผู้ชาย oh. มีนิสัยนักกระลงใจกว้างชอบช่วยเหลือคน และเลี้ยงคนโดยเฉพาะเลี้ยงเหล้าเบียร์เป็นต้นการปัจจุบันที่ดื่มสุราเมลัยเป็นอาิีนกรรมทําให้เป็นโรคตับแข็งเมื่อใกล้ตายก็เห็นกรรมอนหมิตรเป็นเรื่องราวของการดื่มสุราเมลัยสนุกสนานในวงเหล้าก็เลยเจ็บและทรมานมากพอละโลกแล้วก็ถูกโยมทูตมารับตัวไปเลย<อ>แต่ที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะบุญที่พอ่อเคยพาไปไหว้พระ รักธรรบุญในพุทธศาสนาตอนที่รักกันใหม่ๆเน่ยเพราะรักพ่อมากทั้งๆ ท, ที่ตัวก็อยู่อีกศาสนาหนึ่งเน oh. ี่ไอตอนเป็นแฟนแล้วก็รักกันมาก oh. อยู่กินกันใหม่ๆพ่อก็พาไปไหว้พระ oh. แต่ก็ไม่ได้อะไรมากแค่ทําตามประเพณีท่านมีความปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วขอไปอยู่กับพ่อคือตายหลังพ่อสองปี เพราะท่านรักกันมากแล้วก็สมใจคือไปถูกกรอกน้ำทองแดงในยมโลกใกล้ๆกับพ่ อ, โ, อโดยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยสมใจแต่พ้นกรรมพร้อมกันเพราะบุญที่ลูกสาวนี่แหละลูกสาวคนดีนี่แหละอุทิศไปให้อย่างต่อเนื่องโ อ, โอ้ลูกสาวอะไรดีเลิศเกินนะเนี่ย เลยได้ไปเกิดเป็นคนทันมีวิมานอยู่ใกล้กันแลวนิสัยตรงกันด้วยคือชอบสังสรรค์เฮฮาแล้วก็รักกันมากซะด้วยอมิมานก็เป็นเงินคลิบทองเหมือนกันแล้วก็มาเข้าฝันพร้อมพ่อเนั่นแหละเพื่อขอบคุณลูกสาวที่ทำให้ตัวเองพ้นโทษพ่อก็พูดแม่ก็พูดแต่ลูกก็ได้ยินแม่เนะี่ยตามที่เขียนมานี่ยแหละส่วนคุณตาข่าตัวตายนะ่ตายไปแล้วไปอยู่สันชีวะ ชื่อเพราะดี oh. สัญชาิว่าอยู่ที่ไหนจ๊ะมหา n a r มหา n รกขุ ม, กมที่หนึ่งเงรรพราะจิตเศมองหมองหลายๆเรื่อง oh. เช่นเครียดเรื่องรับบาปแทนที่ชายคนละแม่ที่ทําให้เงินหลวงขาบัญชีครับก็มีความละอายมาก oh. กรรมในปัจจุบันที่ทําให้ข้าตัวตายอีกเรื่องก็คืออันนี้นี่ไม่กี่จะไม่่อยมีคนรู้หรอก คือสั่งค่าคนที่ขัดผลประโยชน์บางอย่าง<อ>เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดิน<อ>แล้วก็ค่าสัตว์มาเลี้ยงคน<อ>เป็นต้นแต่ค่าคนนั้นไม่มีใครรอุ่นอะก็ฟังเป็นตุเป็นตะไปกันแล้วกัน<อ>ขณะนี้มีการดำใหญ่โตขนาดภูเขายมยม่อมๆผอมและเปอยแต่ถูก น, นั้นในรีบบาลเอาปืนใส่มือแล้วก็ยิงโดยเอง พอตายและวฟืน้นมาก็ถูกในนยรีบาลลุมยิงจนตายเ oh. มื่อฟื้นก็นมาอีกก็ถูกกรรมฆ่าสัตว์แบบตัดคอนะโดย oh. ตัวเองก็ถูกในยาานยรีบาลสับคอบางครั้งก็ยืนสีขายืน่นคอแล้วก็ถูกสับคอ oh. โดยในายรีบาลพ oh. อคองอออกมาเอกก็สับกันอีก oh. ทอดโดนทรมานอย่างนี้สลับกันไปอีกหลายอย่าง oh. เพราะทํากรรมต่างกรรมต่างวาระกัน ตอนนี้ก็ยังโดนทำโทษอยู่<อ>จะต้องอยู่อย่างนี้อีกนานจนกว่าหลานจะเข้าถึงธรรมกายแล้วศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้ด้วยวิธีพิเศษโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวหนังเกิดจากวิจิกรรมเป็นหลักทั้งอดีตและปัจจุบันกำเนิดอดีตก็คือชอบพูดเสียดสีด่าว่าพูดที่ทำให้ไม่พอใจและบางครั้งก็นินทาบ้างล้อเลีนมั่งล้อเล่น บ, เนบ้าง เวลาดีก็ดีใจหายนะลุกนะแต่เวลาร้ายก็ร้ายสุดๆ oh. เช่นใครไปรู้ความลับที่ไม่ดีของตัวบ้าง oh. เช่นไปรู้ความลับที่ไม่ดีของเพื่อนบางอย่าง oh. ก็นำมาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเป็นต้น oh. กรรมในปัจจุบันก็ทาำคล้ายๆกรรมในอดีตเนะี่ยแต่น้อยกว่า oh. คือดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ร้ายสุดๆเลยเนอะ oh. จะแก้ไขได้จะต้องพูดแต่ปิยปัจจา ข่คมความโกรธให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์อย่างหงุดหงิดง่ายทำใจให้ใสใสเข้าไว้สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายและอยาบยาก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างนะลูกนะ ทานอาหารไรสารพิษพักผ่อนให้เต็มที่อย่าเครียดขจัดสารพิษโดยทำดีท็อกเป็นต้นจ้าดีท็อกขจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อได้ใจใสใจบริสุทธิ์ใจหยุดได้สนิทติดกลางองค์พระธรรมกายได้ตลอดเวลาเหมือนนั้นก็จะฝันในฝันเป็นแจคงไม่ใช่หรอก ให้มันทำความเพียรไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาละเจ้าไม่ช้าก็จะฝันในฝันเป็นสาทุ